ทุข้างในอุ huh. oh, to à, to à, to à. You, ่นทางนอกระดับเย็นน่นั่งได้ไหมล่ะมาใหม่หรือหมม่เคยมาป่หนูเคยมาหนูคะแม่สามีมาอ๋อต่อต่อต่อต่อเล็นเกี่ยวมันมั้ยพระบ่หลงไป นั่งรถไฟป่ะมาเด็กคนไหนพักไปเที่ยวเมืองกวา น, นี้สามตัว<ะ>โอ้สามตัวทัวรพักไม่เคยม า, า ม, มาแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็จะได้รับบ้าง <c oughs> รับเดียวก็จะออกพรรษาแล้ว <c oughs> พวกจะอยู่ให้คุ้มค่าเลยเป็นที่ตัวทำตัว ก็ okay, อยู่ต่อผมมาเห็นแล้วมันสะดวกสบายะสาดวกกับการปฏิบัติธรรมประเทศไทยมันไม่สะดวกมันศรัทธาเยอะเกินไปมีเตาของไม้พะระยุ่งไปบินฑบาตกุลบานบา ท, บาทเหลือบาทเทมากี่ครั้งมาถึงวัดกุมาใส่บาทอีกต้องกันก็เปลี่นนิดหน่อย ใส่แลว้วก็เทออกใส่แลว้วก็เทออกนี่นี่ก็บังคับได้ไปเป็นตบาทได้นิดหน่อยก็พอแล้วพอมาข้างในก็ให้สรัทธผู้หลักผู้ใหญ่นิดหน่อยก็ได้สลองศรัทธาผู้ที่มาที่หลังหลังจากนั้นข็รับข้างนอกถือถ้ดงเขาวัดเลยไม่รับอาหารภายในวัด รับไม่เป็นมันผิดธรรมผิดธรรมด้วยผิดพระวินัยอีกด้วยทำละเอียดกว่าพระวินัยได้ดูได้รู้ได้เห็นเขาทำเพื่อสวายพระพระฉันไม่ได้เลยถ้าของชาวบ้านเราไม่รู้เขาทำให้พระแล้วไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาทำเพื่อความเป็นดุของญาติโยมจะให้พระเท่าไหร่ก็แล้วแต่ปรัทธา ไม่เป็นพิษเป็นไทยทจำเพะาะต่อจงทำตะไบพระทำตะไบพระเดี๋ยวนี้พระตะไบให ม, ใหม่ยิ่งไปบอกทำเ้วยนะแล้วนี่ต้งต้มนั่นต้มนี่คุณเอาลันลเอาลันลเอาเข้ามาแล้วก็ไปหูงมใหม่เสริมกิเลสนลีละปาปกิเลสรู้จักกิเลสไหมนี่ล่ะบาปกิเลสคือบาปแต่ว่าทำบุญ มาน่มาแล้วก็มากาัาบทำงานกันก็นั่งดูลมเข้าลมออกนั่นแหละทำบุญบุญอยู่ที่ลมลมคืออาหารใจถ้าเห็นลมก็เห็นใจถ้าเห็นใจก็เห็นบุญพระเมื่อคยดูลมไ ป, ไ, ปไปท่องเอาของพระพุทธเจ้าไปสอบห้ทำตีทำโททำเบกประโยคสามประโยคสี่ประโยคอะไรก็ว่าไปแหละ เวลาสอรโยมโย ม, มอะไรทำบุญเจ้าค่ะสูบจุทิยานถวายทังกรทานตรวจน้านโยมลองไปดูเถอะวัดประเทศไทยมีกี่วัดกี่พระ ก, กี่ลูกมีแต่น้อมลาดแต่ตนเองติดทําอีกไปด้วยนะก็ต้องกวนน้อมมาสลายเ้โยโยมนั่นน้อมนั่นหลวงปู่ว่มักอันนี้หลวงปู่ว่ามัก น่่นลาบมาสู่ตัวเด็กมันใช่ไม่ได้ทำให้อยู่ด้วยความเพียงพอยินดีกับของได้พอใจกับของนีมีแค่ไหนได้แค่นั้นเลยวระขามขอเดียวกับสันอิมนิตรกรรู้จากว่าขอเดียวถ้ากินวระขามคำ ข, ขอคนว่ากิโลขอเดียวตรงบาบแล้วใบอีกเปึนงตัวจงังหวะมันกิโลแต่คำ ข, ขอทุ่มเงินคำหน่วยพอออนบ่เอื้ ไปผู้หออหีกหน้าประหวานม <c oughs> ันก็เคยคิโลบกมันก็เลยว่าลอยแล้แต่มันหลายก่หลายเหมือนก่อนทำบาุงงจำน้าแจกน้าทำบาง่งหลายพะ <c oughs> ระเว่ากินนอนตอนหลายแบบนี้หรอกจาถุยหน่าถุยหลังก้วยเมื่อเดียวปั่นกัน พอท่านเวลามาแล้วพระก็อยากแก่อยู่อยากแก่อยู่มีกฎหมายกฎทางนี้ก็อยู่เกินที่กําหนดไม่ได้อย่างมากที่สุดหกเดือนอย่างออสเตรเลียแค่สามเดือนก็ไมอยู่นานก็ดีแล้วก็ได้เปลี่ยนไปบ้างองค์นูนบ้างองค์นี้บ้าง ได้อยู่ครบหกเดือนก็คุ้มคาะนะ่าอยู่นะใช้อยู่สามเดือนไม่คุ้มค่าเพ <c oughs> <c oughs> ่อนกำตัวจให้ก็วิจิกฟัดไปอยู่เยอะจะลาบากจะลาบากกว่าเง้นเห็นลาบากเลยอยู่มากขนมาให้มากเงินเลยถ้าชิปเรานํานปะนะตอนเย็นก็ยังเหลือเยอะแยะอีกอมกัวองลองนี่ไม่ค่อยฉันบอกว่าตอนเย็นก็พอแล้วว่าเงิ น, น จรอะไรเยอะแยะหายหายใจไหนสันนน่นปรมาทตอนเย็นก็ไม่ตายหรอก <c oughs> คนตายไม่เป็นไรแต่กิเลสตายยิ่งดีว <c oughs> ิจากไม่กิเลสตายเนื้อวิธีฆ่ากิกเลสก็คือใช่สติปัญญาปัญญาพูดที่จะฆ่ากิเลสนะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีอะไรฆ่ากิเลสฆ่าฆ่าไม่บาปคือฆ่ากิเลส ถ้าฆ่าคนตีกันกลากันอะไรตีรังขานร่างกายเนี่เป็นบาปต้องฆ่ากิเลสในหัวใจเพราะมันมองไม่เห็นตัวฟันเท่าไหร่ก็ไม่ถูกปืนยิงตัวอะไรก็ไม่ถูกเกกฮ้ยปืนยิงใจถูกเราบิ่นคือกิเลสดาเพชรคือปัญญาฟันกิเลสฆ่ากิเลสฆ่าไม่บาปผู้กเกตผู้จักไหมว่าบากใหญ่คือรักกับโลกกิเลสตัวใหญ่ บาปตัวใหญ่ๆนรกม้อใหญ่ๆรักกับโลกตื่นขึ้นมาฉันอยากได้ฉันอยากรวยนะรวยเราอมาแต่งตนแต่งตัวประดาประดาเวลาเสียชีวิตแล้วก็ไม่เอาไปด้วยแต่วันยังค่ำคืนยังรุ่งหาเรี่ยงวันยังค่ำคืนยังรุ่งมีแต่เรี่ยงของตัวกบปกในเรี่ยงทาไมของไม่เรี่องแท้แน่นอน ของไม่กิงของปลอมสังขารร่างกายของปลอมเกลือแก้วแก่แต่ไม่อยู่ในคันเป็นยังไงออกมาอีกเป็นยังไงคลออกมาเป็นยังไงไมาครึ่งคนนิดหน่อยไปแล้ว เ, ลเริ่มไปแล้วยี่สิบสามสิบสี่สิบไปแล้วค่อยไปแล้วเริ่มหงอกเริ่มด่างเริ่มอะไรไปแล้ว <c oughs> คนบโบรานในป่าได้ลงไปเต็งเสตงสะถุง ก, กาแฟกันว่า และทุกวันนี้ไม่ให้เกิดเยอะคนที่เกลียดเลี้ยงหัวเท่าเล้ว เ, ลเนื้อเลือดเนื้อเจ้าของก็ไม่ให้เขากินได้ไปเอาเนื้อสัตว์มาให้กินเฝ้าหน้าสอนหน้าเ <c oughs> พราะฉะนั้นพยายามเข้าใก้ไปวัดไปทําบุญเห็นไหมต่างชาติเขามาเขาไม่ได้ไปคุยกันเลยคนไทยถ้าวัดไม่ได้ ดาทุกวันไม่ได้พูดทุกวันก็ปันวัดตรงนี้เอียงเด้ล้องไปดูเถอะเมืองไทยแต่พระโบนยัดว่าวไ่ได้ว่าวรอกเอาการยืมหันละเสียงยังต์ตเสียงยังวัดเด้เถอเข้าทํานองของพุนเจ้าไม่ให้ไปยุ่งนี่ฝั่งในอย่านำอ้อของนอกแกนั่งเข้าอาหารใส่บาทพระเราเอาไปยุ่งพระทําไมทําไมพระยุ่ง แทนที่พระจากมีความสงบปจมอมไปทำจุง้งน่คนเราชอบจุง่งนั่นแหละฟังดูสิใส่บาตรก็ใส่พอแรงแล้วจะตามไปจุง้งพระอีกไรอีกทำไม <c oughs> จะดูปฏิบัติธรรมของในจะนำออกของนอกจะนำเข้าเรื่องโลกโลกท่านออกไปหาเอาพอแล้วของเรื่องธาตุเรื่องตางขานพอแล้ว ตามไปให้พระเกิดกิเล็เสริมกิเล็ดในพระไปมากกว่าฉันในบาทไม่ได้ไเพราะอะไรหรพะคนเข้าวัดไม่ทําบุญไม่มีปัญญาว่าถูกต้องเป็นยังไงถูกใจเป็นยังไงอาหารกายคืออะไรอาหารใจคืออะไรกายคืออะไรใจคืออะไรรู้จักไหมในตัวของเรามีกายก็มีใจอ่ะ กายเป็นของคุณพ่อคุณแม่สังขารร่างกายไม่เที่ยงสวดไปแล้วเมื่อกี้นี่เกิดแล้วแก่เจ็บตายหรท่องไปถึงเสียงลมเสยๆบอกใจก็ไปถึงทำกิงไหมหล่ะเกิดแล้วแก่เจ็บตายฟังไหมมันชัดที่ด่าลงไปที่ตากิเลรไม่ให้คนอื่นไปด่าเราหมกโมโหโตสอนโตเสียเอาจังไดวันที่ยินติคนอื่นสอนใหมเกิดโมโห สอนโตทำอะไรจังได้ฟังดูสิ mm hmm. พูดกั น, นยังไงนหัวแล้วจะมาสอนน mm ่ hmm. นั่นเห็ น, หนเปล่ะสอนเจ้าของเสียงเวลาตัวเน่น mm hmm. เรื่องทาบุญนั่นแต่จะให้มีสติจกให้มีปัญคนเราเข้าวัดขาดการทําบุญเจอไม่มีสติเลยไม่มีปัญญามีแตไปหลอกลวงต้มตุนปิ้นป้อนกัน mm hmm. โอ้ยพน่าเบื่อหนายจริงๆนี่ ไม่แช่เมืองไทยมังพุดไม่ใช่ตำหนิหรอกหลักเหตุผลความจริงไปเจอคนที่ไหนต้มกันหลอกกันทำท่าไปดูหมอไม่เอาเงินฟรีฟรีมาคาัาเัินแนะ่ค่าไข้จักน้อยแนะ่ไปว่มามีไหลาไปแน่ในกระเป๋ามากเหมือด <laughs> หนาต้มกันเนี่ยพุทเสียกัสเสียปปไปง้อไปแน่แต่ละมึงแก ว, ว่าเขาติต้มอยูกนี้ไปขาเขาอยู่ แน่ไปรวมสัมเดีวว่าร <c> ว <oughs> มเราปวดหัวเพราะื่อสึกโตเขาถามมาแต่ได้ใครมับ้านเมืองไป <c oughs> ต่างมา ก, ก็รอด ก, ก็ เ, เจ้าหน้าที่ก็ได้มีกระทรวงวัฒนธรรมอีกเสริมก็ไปอย่างเดียกทวงหดก็ทวงใดในกระทรวงวัฒนธรรมจ้าใต้เจ้าพุทธมันแน่นหนักย่ำลงไปที่วัฒนธรรมชาพุทธ พิีกรรมทางพุทธศสนาอยากให้แข่งคัดตามแนวทางของพระเจ้ามั้งั้นก็หลงกันอยู่นี่เลยดีแล้วะจะมายายพระปู่พระย่ามาได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังว่าพระอยู่อะไรพระคืออะไรพระคือผู้ขอแต่ขอไม่ออกปากไปบิณฑบาตโน่นให้ก็ตามไม่ให้ก็ตามไปตามหน้าที่ของพระไม่ได้ไปเอาของไปเอาคนแล้วก็ ตัวเราก็ได้บริหารร่างกายอีกภาษาเอีสารวางได้เข้าใจบ้างได้ช้ยามว่าได้ใช้ลาบตรงตีให้เข้าใจได้ไม่ตีให้เข้าใจก็ไม่รู้ความหมายแล้วาเล่นเฉยๆสมมติเราไปได้บ่อยๆยามวันนี้ว่ได้ลาบแล้วพอไปดอกว่ได้อย่างนั้น ได้ใจหยามบ่ได้เจหลับนี่พระหลายองค์ยมความสะอาดนะังก็ปกความริมหัวนี่แช่ไดใหม่ก็โล่นก็นวางไลยตัดแล้วก็เอา่อยอยพวกตัดก็มักตัดตัดแล้วก็บอกอันนี้พอร์มก็นว่าขีบพแกแกกูได้เป็นสันน่ะ <c oughs> ่าจะขีดขาน แต่มากดักกับเอาหนีฟาร์มตัวใส่ถงปับปป๊บก็ได้ตัวสัญญาอะไรอย่างน้ตุทผู้อื่นลำบากเห็นบ่างเหตุแต่ภาระผู้อืน่นเหรอคนน้องมึงฟ้า อ, อะไรละ่ะเพาไม่มีปัญญาอย่างเดียวทํำอะไรไม่มีปัญญาทําอะไรลงไปคํานึงถึงความได้อยาคํานึงถึงความเสียมันเสียที่เป็นภาระของผู้อืน่นเจ็บนี้ละ่ะเราเห็นโชกับพวกผู้อื่นงนัดนั่น จี่ายก็แมวหรืว่เจีายก็หมาหมาทายแล้วก็ขวดแมวทายแล้วมันก็ขวดถ่มสำเนียเจีน่ายก็แมวมแว่าล่ะเราใครจะแปลให้ยังทาบุญทําทานเรื่องภาวนาแปรนิดหน่อย Uh, m o n a r i t y and meditation. Uh, yourself have two parts: which is the body as mind, and the food and uh, generosity that you donate, and the food that you donate to the m o n h That's why your body. Uh, look after your mind, calm your mind, and have y mind peaceful. t h s the true happiness. That's the, the purpose of meditation. Um. Now, let's go. Abhaya, vimala.